สิกขาบทที่10ถามทรงบัญญัติทุกกฎแก่ภิกษุผู้ไม่เอื้อเฟื้อทำคำข้าวให้ยาวในสิกขาบทที่ส0บนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติเกิดด้วยสมุดฐานหนึ่งสมุดฐานคือเกิดทางกายกับจิตมิใช่เกิดทางวาจาบินดะปาตะวัตที่สจบ